42. แม้พระพุทธเจ้าก็ยังมีวิบากกรรมตามทันเล่นงานผู้ที่งมงายอวดเก่งว่าตนสามารถแก้กรรมของคนนั้นคนนี้ได้ก็อย่าอวดดีกันเลยมันโกหกคนทั้งโลกเป็นบาปกรรมอดีตแก้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้กรรมอดีตให้ใครไม่ได้ แม้แต่ของพระองค์เองก็ยังมีกรรมอดีตบางตัวตามทานพระองค์เลยซึ่งเป็นวิบากทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ของพระองค์เองเช่นที่พระองค์ทรงยืนยันว่าต้องถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทบ้างต้องไปทรมานตนอยู่ในป่าหกปีบ้างล้วนเป็นวิบากกรรมที่พระพุทธเจ้า ทรงเล่าของพระองค์ไว้ว่าเป็นนี่กรรมที่องค์เองทรงทำไว้แต่ชาติก่อนๆทั้งนั้นดูในพระไตรปิฎกเล่มส1ข้อ392กกรรมจึงเป็นของของตนใครทำก็รับกรรมนั้นของตนพระพุทธเจ้าทำได้ก็แต่สอนคนบอกคน ให้แต่ละคนไปทำกรรมใหม่ของตนเองที่จะเป็นกุศลกรรมก็ดีก็จะได้อาศัยดีในชาติต่อไปอกุศลกรรมก็ตามก็ได้รับผลเป็นที่อาศัยทุกทรมานและถ้าเป็นบุญที่กำจัดกิเลสก็ยิ่งดีซึ่งต้องกระทำในปัจจุบันด้วย เป็นตนเองเท่านั้นที่จะกำจัดกิเลสของตนจนกราทา่งไม่มีกิเลสมาบงการทำบาปใดๆขึ้นมาได้อีกต่อไปก็เป็นอันสิ้นบุญจึงจะเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะอรคนางอีกเลยต่อไปในอนาคตตลอดไปนิรันดร เพราะสิ้นบาปที่จะต้องกรรมจัดอีกแล้วบุญจึงเท่ากับหมดสิ้นไปด้วยไม่ต้องมีบุญอีกแล้วส่วนกรรมที่เป็นกุศล น, นั้นสั่งสมลงเป็นที่พึ่งที่อาศัยปฏิสรณะแม้ทั้งบุญทั้งบาปจะสิ้นหมดไปแล้วแต่กุศลก็ไม่หายไปไหนทั้งอกุศลและกุศลที่ผู้นี้ทำแล้ว และทำใหม่ได้เพิ่มไปอีกไม่อั้นจากนั้นต่อไปจึงมีแต่กุศลเท่านั้นที่ผู้นี้ทำกุศลสูปะสำปาธา